ฟวางธรรมเนีา <c oughs> ธรรมธรรมมันก็อยู่กับกายกับใจเวลาเรามีสติจะได้พกเห็นเราต้องเป็นนักปริยัตินักศึกษานักปฏิบัติเอากายเป็นหลักสูตรเอาจิตใจเป็นหลักสูตร อสติเป็นนักศึกษามันคืออะไรแต่พอกาย เ, าเฉพาะใจเฉยๆันก็เป็นดุน้นเป็นก้อนอันหนึ่งเป็นดุน้นเป็ น, น, นก้อนอันหนึ่งไม่มีดุน้นไม่ก้อนเป็นนามจับไม่ได้หนึ่ก็ยิ่งใหญ่ เราเป็นนักปริยัติเป็นนักปฏิบัติมีสติตามที่พระเจ้าได้ศึกษาเรื่องนี้ก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นธรรมที่มันเกิดกับกายกับใจกายใจนี่เมื่อศึกษามันแล้วมันก็เป็นรูปกายมันเป็นรูปนั่นเป็นนามที่มันมีวิญญาณธาต ที่มันรูดลอยเที่ยวนนอมตามองอะไรก็เห็นเป็นวิญญาณของตาหูจมูกลิ้นกายใจมีวิญญาณที่มันรูดลอยเพื่อให้ได้คำตอบแพ้รู้เรื่อง ตาตเห็นรูปทางหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสมบัตรจิตใจมันคิดมันนึกตาไม่เห็นรูปมันก็ไม่ใช่เห็นเฉยๆมันไปไกลไม่มีนามมีสงขรนมีสมุ ท, ทยัยมีความหลงมีอะไรหลายอย่างมีเหตุปัจจยัย โอ้ทยินเสียงจะูกได้กินลิ้นเลยรดก็ไปกลายเล่นไปไปถึงพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ันเป็นของสองเจ้ารอูปนี้เป็นของสองเจ้ า, า, เ, เ, จาเหมือนกับวัตถุ เป็นของเป็นของสองเจ้าเปลี่ยนกันใช่แล้วแต่ไปเจ้าไปช้อะไรเที่ยวไปใช้เอาลูกไปใช้คือนามธรรมาอาการต่างๆเกิดกับว่ามันเป็นลูปเป็นนามไม่เป็นตัวของตัว เราไม่ศึกษาเราไม่เป็นนักปริยัติเป็นนักปฏิบัติจะตะเ ป, ปิดตะปะไม่เป็นระเบียบวุ่นวายมากที่สุดถ้าเราศึกษาจะมาเห็นเรื่องนี้มีสติจะได้รู้ได้เห็ น, นที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรก็เห็นเป็นรูปเป็นนาม เหเป็นอาการเห็นเป็นวัตถุมาทันทีเวลาหนาวก็หนาวทันทีอยู่อย่างนี้เวลาร้อนก็ร้อนแล้วแต่เหตุปัจจัยเวลาไม่มีอาหารในกระเพาะก็หิวโยงกัดก็ เ, เจ็บเปลีอยงนี้ลูกปนีา่าเป็นอาการ แต่มมสิ่งจะไม่สิ่งมาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ให้เกิดอะไรขึ้นอีกม่เป็นนามธรรมาจะหนาวหรือร้อนเป็นอาการของลูกไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้มีอีก ตัวเป็นตนเกิดอยู่ที่นี่อีกมีกายในกายมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมไม่ใช่ธรรมชาติไปใช่อากาศเป็นตัวเป็นตนเป็นวกเป็นชาติเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ในความหิวแต่ละก้อนของลูกห้เป็นสุขเป็นทุกข์ เราจะมาศึกษามีสติเราเห็นชิ่งทั้งสองอย่างเราจะเกิดเห็นธรรมที่เหมือนเกิดกับรูปกควานามผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรม ที่มันเกิดกับลูกกับน้ำนี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดกับลูกกับน้ำนี่ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมที่มันเกิดกับลูกกับน้ำนี้มันเกิดที่นี่มีเหตุที่ต่อเนื่องกันเมื่อเรามีสติเราจะเห็น แต่ก่อนถ้าเราไม่เป็นนักปริยัติเป็นนักปฏิบัติเป็นดุ้นเป็นก้อนมีการกระทำเาวัตถุมังกาหนดทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจเอาวัตถุมากําหนดหมัดกมกนก็จะเลยต้องงามไปทางวัตถุเป็นตัวเป็นตอนอยู่ในวัตถุเป็นเพื่อเป็นชาติอยู่ในวัตถุ บรารมาปฏิบัติมีสติเป็นนามธรรมมีความรู้สึกตัวเอาวัตถุ ก, กายมาประกอบมีการกระทำเกิดขึ้นมีความรู้ไว้เกี่ยวข้องกับกินฟ้าอากาศไม้เกี่ยวข้องกับการเวลาไม้เกี่ยวข้องกับสถานที่เรามาฝึกหรือว่าวิชากรรมฐานมา กู้เฉเข้ารู้สึกเหยื่อเฉิอกรู้สึกตอนที่พระเจ้าได้ตามเรื่องนี้ทําห้เกิดเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาจากสามัญชนได้เกิดเป็นพระเจ้าเพราะทำเรื่องนี้กู้เฉินเข้ารู้สึกเหยื่อเฉินออกรู้สึกเหมือนได้ความรู้สึกไม่มีของสองเจ้าเหมือนลูก แต่เกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกมันก็ไปกํากับกับทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจที่เป็นรูปเป็นนาม น, านั่นเห็นหมดคือความรู้สึกตัวเห็นกายสภาวะกายเห็นเวทนาสักวะเวทนาไม่ไปไกลเห็นจิตสภาวะจิตไม่เล่นไปไกลเห็นธรรมสักวะธรรมไม่เล่นไปไกล ก็มันลงตัวมันมีสติเป็นสิที่คงกาเนิดไม่ให้ไปกลให้เป็นธรรมแต่มันก็ไม่ทันเราก็ไม่เราก็ไม่ชำนานบางทีก็เกิดอะไรขึ้นมาเกิดกลวัวง่วงเม่เคยทำอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาไม่ชำนิชำนานเหมือนนเหมือนวัตถุถ้าเป็นวัตถุก็ได้วัตถุ ได้รูปได้ลดได้กินได้เสียงที่มาสมัมผัสกับรูปกับนามบบด น, นี้มันได้สติก็จะเกิดการแย่งขึ้นมาความคิดว่างจากนามไอ้เมื่อก็มีจิตวิญญาณเหมือนแล่นไปได้ความคิดมันเคยคิดเป็นอิสราเนี่นเรามาเลิกให้มันอยู่ตรง ที่เดียวมีกำหนดมีที่ตั้งมาก็มายอมจะอยู่มันก็คิดไปเรื่องของนามเล่นไปเรื่องของรูปก็แย่งเกิดอาการวิธนาปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรต่างๆเพื่อให้หลงมันเคยหลงมันเคยเป็นใหญ่รูปเป็นของสองเจ้า มันเคยเป็นใหญ่มีอะไรต่างๆบาดีไปใช่ผิดผิดมาเ็ะเล่าตีบุรี่กระดกเล่นไปทางโน้นติดการเฉบเตดการเตี๊มรถกินเฉียงกระดกเล่นไปทางโน้นไม่ยอมจะรูดเราก็พยายามรูดไปเล่นไปที่ไหนก็รูดได้เอามาเป็นความรูดได้ทั้งหมดไอ้เห็น วิธีปฏิบัติก็เห็นอย่าเข้าไปเป็นมีสติกลมาแทนที่ความหลงเป็นความหลงความหลงก็กลายเป็นสติความทุกข์ที่เป็นความทุกข์ก็กลายเป็นสติเป็นความรู้สึกตัวต้องไปที่ตั้งมีการกระทําแต่ก่อนเราไม่ทำอย่างนี้ทำแต่ด้านวัตถุโ่ยข้าวก็ได้เงิน ทำงานก็ได้เงินเอาสิ่งมัตถุกํะกำนดแัดนี้มาเป็นนามธรรมาได้เปลี่ยนอะไรมาเป็นความรู้ทั้งมดหลงลอยข้างรู้ลอยข้างหลงพันข้างรู้ผ่า น, า, นลลานข้างหลงเหมือนข้างรู้เหมือนข้างหลงแสนหลงล้านข้างรู้แสนรู้ล้านรู้วันไดความรู้การที่จะได้ความหลงได้ความสุขได้ความทุกข์ ออเป็นเป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยทันทีในคราวเดียวกันแต่ก่อนหลงมอยู่ที่หนึ่งลูกก็อยู่ที่หนึ่งถ้าเราฝึกมันก็อยู่ที่เดียวกันมาให้เกิดความรู้ทั้งหมดที่ทเกิดกับกายกับใจสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจมาเป็นความรู้ทั้งหมดเพราะเรามีที่ต้องมันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ เมื่อหมือนเปลี่ยนมันเป็นรูทั้งหมดทุกครั้งแม่วันสุขเปลี่ยนมาลูวันทุกเปลี่ยนมาลูมันง่วงเปลี่ยนมาลูมันก่อชีเลตันเหรอเปลี่ยนมาลูทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาได้บนเรียนได้ประสบการณ์ได้พัฒนามันก็เจริญต่อที่สุดมันก็หมดใจ ไปไม่กลับได้ถ้าเราเปลี่ยนมาอย่างนี้มันก็หมดมันก็ไม่มีมันก็หมดไปกลายเป็นความลูกของ่กายของใจเว่าเราเห็นตามความเท็จความเพียงได้สัมผัสจริงๆหรือว่าธรรมมีรถมีรถพระธรรมมีจามาจาักสุ เป็นความเห็นที่เกิดกับการกระทาเห็นแจ้งด้วยวามหลงไม่เจริงความไม่หลงมันจริงวาองทุกไม่เจียงความไม่ทุกมันจริงได้สอมผัดจางนี้พอที่บทธรรมมันก็ถูกสอนไปในตัวหมดก็ได้รู้มันก็เป็นฝากกุศลกุศลอื่นที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้น เป็สมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลขึ้นไปก็เป็นเป็นฝ่ายกุศลอากุศลก็โมดไปโมดไปโมดไปอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมันเป็นการรัดนดเป็นการวบเป็นการเหมือนก็ตัดเถาวัลตัดหวายตัดโดยจากต้นมันได้เมื่ก็ มันก็มามันก็ยุบไปเลยอกุศลที่เกิดจากความหลงกดความรู้ความหลงเป็นลากเง่าของอกุศลถ้ามีความหลงก็เกิดใจลยอยตัวเสาะโลภเกิดเฉลียตัณหาได้พอเรามีความรู้มันเทียบไหลกับอโกศลนี่กับความหลง น, ลงนี่มันก็ ก็งอนแย่งก้อนแนนขงแน่งหมดเลี่ยวหมดแหลงเหมือนเหมือนศัตรูกุศลคือความรู้จึกตัวเหมือนกำลังผลกำลังผลปาบศัตรูได้จำนวนมาก ความรู้สึกตัวเน่ยข้าศึกเป็นจินวนมากแล้ว ก, ก็ก็ชนะได้จะเป็นเิลตันหารลาคาเป็นความโกโรธโลภหลงความผงศาลอะไรต่างๆมันสามารถมอดหลงได้เพราะกำลังผลมีความแม่นยำชัดเจนไม่พลาดไม่ลังเล กาลองคน น, น้อยก็ปราบค่าศึกได้จนวนมากเนื้อเราปฏิบัติเรามีชัยภูมิที่ดีมีกายมีรูปอยู่นี่เอามาเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่เป็นของจริงจับได้ทั้งหมดนั่งอยู่นี่ยืนอยู่นี่เดินอยู่นี่นอนอยู่นี่กินอยู่นี่ทํางานทําการดา่นาหน้าแปลงแฟนอยู่นี่ความรูปไม่มันไม่มไม่ กินที่มันไม่กินที่นเป็นันเป็นความเป็นเลนเป็นการถ่ายภาพเป็นความสัมผัสเหมือนโทรศัพท์น้อยกรบวนทึกชื่อของคนเลยหมายเรียกได้เป็นหมื่นๆชื่ออันนี้ความรู้สึกตัวที่มีในใกายใน ใ, ใจนี่มันก็เป็นใหญ่ เราหัดที่แรกก็หัดต่อไปไม่ต้องหัดมันเป็นไปเองไม่ใช่มานั่งยกมือสร้างจังวะมันมีแต่เห็นไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจไม่เป็นไปกับทุกอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจมีแต่ภาวะที่รู้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเอิน รูปที่มันไม่เที่ยงเห็นรูปเป็นเป็นทุกข์มันต้องมีตลอดไปแต่ไม่ใช่เอามาเป็นปัญหาก็าได้ความฉลาดได้ผลได้ประโยชน์แต่ก่อนคนไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์รวมทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเกิดกับรูปมาเป็นทุกข์ต้องเท่าที่มันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยง มันขัดแย้งมันสวนทางแบบนี้เห็นตามความเป็นจริงหนีความจริงไปไม่พ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันได้หลักอย่างนี้หรือว่าเห็นธรรมดืวยเห็นปฏิจจสามุปบาทที่เกี่ยวข้องด้วยกันรูปกายก็เกี่ยวข้องกับภาโนู รูปกว่ามันก็ไม่มันก็เป็นรูปมันเกิดขึ้นแล้วเจีบเจ็บตายไปรูปนี้รูปทำรูปทำนี่รูปแล้วเกิดกันแล้วมีแร้วหายไปก็ปอย่างในรูปเนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่บรรไดเราก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จบเลยที่เดียวเรื่องรูปนี่จบเรื่องน้ําที่เป็นจิตวิญ ญ, ญาณก็จบได้ เอามันเห็นหมดสิ่งต่างๆที่มาเกิดกับรูปกับนามเห็นหมดทุกอย่างถ้ามีสติมีกรรมฐานมีการปฏิบัติมีปริยัติที่ศึกษาที่ถ่ิหลงที่ย่ออยู่เสมอเห็นหมดทุกเรื่องที่มาเกิดกับกายกับใจกับรูปกับนามนี้มีหลักเดียวคือเห็นไม่เป็นบวันที่สุก็พานมาหมด เลยไม่เป็นอะไรครับมันที่มันเกิดกับรูปความนามนี่มันไม่กลับมันไม่กําเริบเห็นไม่เป็นเลยไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดกับรูปความนามเหมือนพระเจ้าว่าไม่กําเลิบอีกมีพวกเดียวเท่านี้ไม่มีอีกไม่มีอีก นั่ก็มีอันเดียวเท่านี้ความหลงก็มีอันเดียวความทุกข์ความโศกความโลภอะไรก็อันเดียวจริงเหล่านี้มันกําเริบไม่กําเริบอีกไม่มีอะไรมาพันใหม่เหมือนเชื่อโลกมันเป็นธรรมชาติที่เกิดกับโลกความนามนี่นี่คือเราปฏิบัติอย่างนี้ทับเรื่ อ, รอยเท่านี้ มีสติแล้วนี่มันไหลมื่อเกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่แล้วมีสติรูปสึกตัวอะไรที่มันเกิดกับรูปกน้ํากับรูปสึกตัวทั้งปอยนี่คือตัวปฏิบัติใน <c oughs> เปลี่ยนหลงเป็นรูอคือปฏิบัติแล้วที่เปลี่ยนทุกเป็นรูเปลี่ยนอะไรเป็นรูทั้งหมดให้ทําอย่างนี้ เรียกว่าปฏิบัติเนี่เราก็ได้หลักฐานไม่ใช่แค่นี้ถ้าจากฟ้องมันก็ฟ้องมีหลักฐานชัดเจนนี่คือรูปนี่คือนามเป็นรูปธรรมเป็นนม้มธรรมรูปมนันธรรมนามมันธรรมเอามาทำดี รห้ลูกมันทำดีให้มันรู้สึกตัวอยู่ถึงการเคลื่อนไหวลูกทำตามมันหนึ่งคือการกระทำพอจะละอ้อมทำดีทำชั่วแบบนี้รูกมันทำอยู่ดีลูกสึกตัวอยู่นี่มันทําดีรูกสึกตัวอยู่นี่มันละความชั่ว รู้สึกตัวนี้เหมือนจิตบริโภ์ไม่ได้ปพงไปไหนให้พงไปก็รู้สึกตัวได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีอยู่เสมอรูปเหมือนทธทรมันหนึ่งคืะทอทงลอเรือสองตัวงอม้ารรมาชิธรรมารรมดาของลูกรม ท, ที่เป็นโศลทมที่เป็นอกโศลที่เกิดกับลูกกับนามมีเหตุมีปัจจัย แล้วก็ไปทำมันเองมีสองธรรมธรรที่เป็นกุศลฝอยดีธรรมที่เป็นอกุศลฝอยชั่วไว้ต่ำมันก็เกิดเป็นธรรมที่อยู่ในรูปในนามเราก็เห็นสติเป็นธรรมที่เป็นกุศลเมื่อธรรมที่เป็นกุศลมีอยู่ในรูปในนามนี้มามีสติแล้วชั่วธรรมดีอยู่นี่ กุศลที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปได้ธรรมที่เป็นกุศลที่มีอยู่ในรูปในน้ำที่เราสร้างอยู่นี่ประกอบอยู่นี่เป็นกุศลกุศลเดิมที่ยังไม่เกิดก็เกิด ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญงอกงามมากขึ้นเป็นอย่างนี้ปฏิทีติวรทมมันไปเองไม่ใช่ไปบังคับไม่ใช่อยากลู่อยากเข็น ไม่ต้องมีความอยากอย่าหาคาตอบให้การมีการกระทําต่หนนั่นถูกแล้วเห็นด้วยได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่แหละนี่เห็นด้วยบ้างก็เลยสนุกไปกับการปฏิบัติได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาต่างเก่าไปก่อนหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุข บทนี้มาเป็นกลมลู่สักตัวนี่ <c oughs> จะให้เอาอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกุศลเกิดขึ้นอยู่นี้เราทำอยู่นี้มันไม่มันไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงเหมือนการทำที่เป็นรูปเราทำนาเราข้าขายเราอกมานปลูกอ้อยปลกข้าวต้องเสี่ยงน้ำท่วมเสียหาย แต่การทำนี่ที่เป็นมักเป็นผลนี่ไม่เสี่ยงนะปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามทุกควาเจ็บผู้ปฏิบัติผู้มีการกระทำไม่ต้องเสี่ยงเป็นกรอบเป็นกาขึ้นมาหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปี ลองพิสูจน์เรงนี้ดูชีวิตของเรามเป็นรูปไปนามเพื่อการนี่ดูตรงเพื่อมากเพื่อผลถ้าเราไมาาศาา่ศึกษาเก่าก็ก็ตานะรูปนามนี่มันมันมีภพภูมิไม่เหมือนสัตว์ในฉรฉานมีในโลกมีเปรตมีสุรกายไม่ได้ฉรฉานมันมั่วซั่วถ้าเราไมาาศา่ศึกษามัน เรามาศึกษาพัฒนามเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นไปก็เพื่อพระนิพานลูกนี่เอามาใช้เป็นเพื่อมรรคเพื่อผลนามมาใช้เพื่อมรรคเพื่อผลเปลี่ยนล้ายเป็นดีได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์ปไม่ทุกข์ได้เราได้ม า, าได้รูปด้วยนามมาเพื่อการนี้ทําได้จริงจริงทำได้จริงจริง <c oughs> มีหลักมีฐานมีความหลงมีความรู้มีอยู่จริงมีความทุกข์มีความไม่ทุกข์มีอยู่จริงได้ได้เห็นกระแสได้เห็นได้เห็นจุดเห็นทางเห็นกระแสไม่แต่สิทธัตะยังมองเห็นเลยเมื่อมีความเกิดต้องมีความไม่เกิด เมื่อมีความแก่ต้องมีความไม่แก่เมื่อมีความเจ็บต้องมีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายต้องมีความไม่ตายแน่นอนเมื่อมีความมืดมีแสงสว่างมีคู่อยู่นี่อะไรก็มีคู่อยู่นี่้องอย่างนี้มองแบบเป็นนักศึกษามองแบบทะลุมองแบบมองแบบโย่ยแย่ ยิ่งหมัปฏิบัติเองยิ่งเห็นชัดเจนได้คาตอบตัวเองไม่มีคําถามทำเองได้ไม่ต้องขอญาต์ใายมีสติร้อยเปอร์เซนตันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์มันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธมันหลงเรามีสิทธิไม่หลงเราไม่เปลี่ยนแต่คิดก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ประความคิด ออกจากความคิดไม่เป็นนี่ถ้าเราไม่ฝึก น, นะนอนกกวนแอร์กลัวสะเทจานหมานอนอยู่กับเราหมานอนแปบ๊บหลับแปแต่เจ้าของหมานอนไม่หลับมวัวแต่คิดโน่นคิดนี้อันหนามันสะเทจานเราเนี่ยต้องฝึกหนักมันมียอดน้ามันมีวิญญาณธาตุ อันแรนไปสารพัดจางสมองก็เฉี่ยโก้ก็ใช่ไหมเป็นมีอาวุธไม่เอาชนะตวเงเอาชนะคนอื่นมีปืนมีมีดมีสมองสร้างระเบิดไปเขียนฆ่ากันได้อันตรายมากที่สุดสติฉันไม่มีเขี้ยวไม่เล็บธรรมดาอนุษย์เหมัอนตองไม่อมสอนนาอย่างนี้นะกักับ มันจะจึงพปสั่นไปสืบหน่อยวันนี้เราก็เจ๋อไปอีกแล้วเมื่หวานก็เอาขึ้นไม่ได้แล้วทานไปแล้ววันนี้ก็ขึ้นหนึ่งคร่องเดือนน้อยแล้วแมนบ๊อบ <c oughs> ทานไปแล้วหมดไปแล้วทหวานก็ทํำอะไรไม่ได้ พวกนี้มีก็ทําอะไรไม่ได้ทำอะไรแบบทาได้เดี๋ยวนี้ใช้เวลานี้ให้ได้ชัดเจนที่สุดเลยที่นี่แหละไม่มีสิทธิเรื่องนี้ทุกๆุชีวิต ท, ที่อยู่ที่นี่อย่าเบียดเบียนกันอย่าแย่งกัจนจะสนับสนุนก่อนเคลียร์กันเป็นเพื่อนเป็นเมตกัน กุญกอาหารกุญกอาหารผงข้าวกุญกข้าวผู้ดูน้าดูไฟก็ดูน้าดูไฟทุจสุนินก็ตืนขึ้นมาก็เปิดหัวน้ําไม่โศบน้ําขึ้นถังเพื่อช่วยตลอดวันคำนวณผู้คนได้สถิติลงทะเบียนผูุ้ญกอาหารก็ดูสถิติคนน้อยคนมากใช่ไหม คนหนึ่งก็จริงเข้าวประมาณกระป๋องนมหนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นข้าวสารเอามาหุ่งกระป๋องนมหนึ่งอิม่มใช่ไหมนี่คือกําหนดว่านั่นเราจรึงจะเป็นต้องหลงทะเบียนเพื่อสถิติเราจะได้ดูเราเกี่ยวข้องผู้สูบน้ําก็สูบน้ำโต๊ะหัข้าวก็หงวข้าว อ้อยมีน้ำใจให้เป็นเว้ยหลางพวกขงข้าวพวกป่าพื้นพวกอันพิกเป็นเว้ยหลางรู้สึกตัวปายอาจจะได้บรรลุธรรมกว่าคนไปนั่งยกหมวอสอไม่ใช่เรื่องยากไหมเรายกเบื่อใช่ไหว่าอาจจะสู้คนตามเกี่ยวไปกระ รู้ทีกตัวรู้สึกตัวใช่ไหมเติมางคนรู้สึก่ยวก็เปล่ให้ความรักให้ความเมตตาตามพริกหรือความเมตตาหรืความรักไม่เผ็ดนะถ้าต า, ามพริกตัวใจร้อนรนเลยฮะจิดตาปิดปอดเถอะเผ็ดอาหารไม่อร่อยให้วานนี่ให้พระโปกก้อนไม้เอาต้นไม้ออกจากถุงโดตรหลงเราโยนลง ทุบไม่ใช่ทำอยู่ทำกินทำแบบนี้เก็บหายเอาต้นก้าเ ล, เล็กๆหลงหลงุมต้องเหมืนอนเด็กลูกอ่อนลงเสเ ป, ปเอาลูกน้อยหลงเสเ ป, ปค่อยวางหลงใช่ไหมเวลาตุ้นนอนหลับอุ้มอยู่นะี่ค่อยๆวางหลงไม่อยากให้มันตื่นอ่อนนุ่มบางหลงวาง่าม่ง ปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันเหมือนลูกก่อนวางเซไปค่อยๆหลงหลุมอย่างนี้แล้วเอามือค่อยกดนีน่ให้มีความรักถ้าไม่มให้ความรักต้นไม้ ก, ก็ไม่งามนะหวานก็คุยอวดคุณเมงต้นไม้ที่อวมาจากน้อหนุ่มพ่อมาเลี้ยงไว้นี่พอคนณเมงเห็นอ๋อเดิมาจากไหนอ๋อมาจากคุณนั่นแหละต้นที่คุณให้เล็กๆน่อยว่าเออจะมางามเถอะ แล้วก็มีฝีมือเราดูเองเพตอะ น, นั้นมีน้ำใจตามน้านพริกหุงข้าวป่าพืนมีนังใจอาจจะได้บรรลุ ธ, ธรรมเห็นความยากเห็นความคิดที่มันวุ่นวายกับวารทำกวนได้รู้ได้รู้ได้รู้เปลี่ยนเลยฮะเป็นวุ่ยหลางได้ปาพื้นตามเขาไม่ได้ฟังทั้งเลยเป็นวุ่ยหลาง แลวพ่อก็ไปกราบที่เมืองกกงตุง้งจบยังดูโศผันกวาปียังไม่ยังไม่ผูไม่ฟังเลยยังนั่งสมองที่แบบนี้บหวหลางมีสามศพศพหนึ่งนั่งก้มหัวนี่นี่วนข้องงามศพหนึ่งก็นั่งยอ่อลงศพว้ลางนั่งสง่างามย เพราะนั่นนี่มันอยู่ที่การกระทำการกระทานี่สธิจิตวิญญาณนี่ไม่มีอะไรแย่งตามพิกก็รู้ได้หงเข้าก็รู้ได้เดินจกมก็รู้ได้ยุบเหมือสร้างจักรวรูดได้มันจึงเหมาะแก่จิตวิญญาณแก่รูปพยจารได้นี่เราให้ช่วยก่อนอย่ามาอาศัยเราเราเป็นไก่แก่แล้ว หมดเฉียงไม่ขันนะต่อไปไม่ขัน <laughs> ะจะไม่ขันเหนื่อยนะขันไม่ออกไม่อยู่กองหมูกองผูงคออยู่อ้อมบ่อยรอบๆข้างรอบๆไปอนี้พึ่งตัวเองให้มากที่สุดเราพกอกรมนะเอเอเฮ้อนะสุกอนใช้เวลา